ต่อไปนะครับกลัมาในอุโสถนิทีนะหน้าร้อยเจ็สิเ็ดนะครับข้อที่สิบหกข้อนีง่ายนะง่ายสิบหกที่ส่รูปใดรู้อยู่ชอบไปเบียดที่ส่ผู้อยู่ก่อนในมิแห่งของสงฆ์ด้วยมุ่งหมายว่าที่สุผู้มีความคับแค่จังหลีไปพึงสำเร็จการนอบ หรือนั่งเบียดใกล้้เตียงหรือทางเข้าออกโดยทงความมุ่งหมายนั้นนั่นแหละให้เป็นปัจจัยไม่ใช่มีเหตุอย่างอื่นต้องอาบัติปาจิจิตีครับ น, นะนี่นะครับหมายคาะว่ามีพิสูบบางรูปนะถ้าต้องการที่จะพุดนะครับกุติวิหารของสองนะเป็นของส่วนตัว ท่านดู้ากุติหลังนั้นมีพิสูุนะครับเข้าไปอยู่ก่อนแล้วแล้วเป็นพิสูจที่ไม่ควรย้ายด้วยนะนะครับอย่างเช่นท้านพรรณอน้อยฝ่าเนี่ยจะไปย้ายท่านพรสามารถก่อนไม่ได้นีครับแล้วก็พิสูจน์ผู้แก่เฒ่านะครับท่อนไม่ควร ย, ายรว้ายเขาเพราะเป็นผู้เฒ่าเรื่องแรงน้อยเย่างนี้นะพิสูุน์ผู้อาพาผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่ควรย้ายนีครับต้อนขวางเคราะห์นะบางต้องดูกุฏิที่สัปายาให้นี่ครับผู้อาพาณ์นะ และที่พิเศษตามความจริงอันนี้และก็พิสูจน์ที่มีประการร่างกายสองมากนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ห้องครังเป็นต้นนะหรือเป็นผู้ที่สอนหนึ่งสองคณะนะครับเป็นอาจารย์สอนหนึ่สองคณะสอนทางสองวิญญาเนี่ยนะเนี่ยแต่ว่าภาพพวกนี้นะครับพระส่งนี้ต้องมีการสมมติก่อนนะภาพที่เป็นแค่ที่ห้องครังนะครับมีบุคลากรแต่งสองมากเป็นครูบาอาจารย์สองคณะนี้่นะ ต้ได้รับการสมุจจัสมก่อนเมื่อเราการสมุจจัสมงก์ให้ท่านอยู่ประจําวัดตีนได้เลยนะครับทีนี้ใครจะมาย้ายให้ไม่ได้แล้วผ<ม>้าเหล่านี้นะเจ็ดสิ่ง น, นี้ยพิสูจน์พวกนี้ไงที่ในสิกขาวันนี้นะครู้ทั้งรู้นะครับที่บอกว่ารู้อยู่นะว่ามีพิสูจนที่ไม่กวนย้ายเนี่ยเข้าไปอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ต้องการจะย้ายใพิสูจน์พวกนี้นะคร<ม>ับก็เลยหาวิธีไล้ออกจะใช้ดีๆก็ไม่ได้นะมันจะผิดใช่ไหม ก็เลยแต่นั่งไปนอนใกล้ๆนะครับแต่เบียเสียคือไปปูที่นั่งที่นอนใกล้ๆท่านนะครับใกล้ๆเตียงต่างลาบ้าอเนี่ยเฉพาะเตียงเป็นของท่านนะแต่กุฏิมันก็ยังเป็นของสองผมก็ยันอนได้อ่างนี้นะครับเฉพาะเตียงของท่านก็เลยไปนั่งใกล้ๆเขาเขาก็ไม่สะดวกจะมไหอยู่กับหนาดูม่สะดวกใช่ไหมครับด้วยคิดอย่างนี้นะถขาบอกว่า อาโรูหรือว่านั่งนอนตรงที่นอนใกล้ๆที่นอนก็ดีนะครับตรงใกล้ทางเข้าออกก็ดีนะทางเข้าออกจะพูดถึงทางที่ออกไปร้านค้าก็ดีหรือไปถึงห้องน้ำที่ถ่ายกระสะว้วงก็ดีนะครับเอาทา ง, อางนี้แหละนะไปนอนขวางทางเลยนะครับไหนเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้นะครับดูความมีความมุ่งหมายนั่นแหละเป็นปัจจัย มุ่งหมายที่ว่าจะให้เขาเกิดความเข้าแคกลดอัดใจนะครับรู้สึกอึดอัดแล้วก็ย้า้ออกไปนะเนี่ยมีความประสองค์อย่างนี้นะครับไม่ได้มีความประสองค์อย่างอื่นแต่ถ้าว่าถ้าเนียจําเป็นบางอย่างนะก็ว่าอยู่ข้างนอกมีอันตรายใช่ไหมมีเสือมีอมรุม่นหรืออะไรมาไล่นะขอหลบเข้าไปก่อนนะครับอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรหรือถูกแดนถูกลมถูกฟอนอนี้นะขอหลบเข้าไปก่อนเนี้ยมีเหตุสมทว น, นก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้แก่งนะ แต่ถ้าไม่ได้มีเหตุอะไรอย่างนั้นนะครับมีเหตุต้องการให้เขาอุดหุ่นนะแล้วก็ย้ายออกไปเงี้ยนะก็จะต้องไปตีในสิกขาบท น, นี้นะครับก็มาดูต้นวันอย่าง่าเขามาจากใครเ น, นื่อนี้ครับ ถ้าจะความสามารถก็ใช่ไหมครับคือถ้าเป็นกุติกุติที่อะไรนะกุติไม่พอนะครับก็ให้มีรวมกันได้ครับพอควาสามารถเขาไม่มีสินะกันนะความจริงนะมันอยู่ถ้าบอกว่าคือถ้าอพอกันใช่นหมแล้วก็แจกไปเลยคนละหลังถ้าไม่พอกันก็แจกไปลคนละเตียงในห้องมาจจะมีสองเตียงก็แบ่งคนละเตียงนะท่านจะมาอยู่ใกล้นไม่ได้นะเพราะมันไม่พอมันต้องอยู่คนละเตียงนะครับ สต่ว่ถ ok ้าเตียงไม่มีก็คือเอาที่ที่ตั้งเตียงได้อย่างเช่นว่าเราทุงที่มันไม่ได้มีเตียงทุ่งห้องหรอกบางห้องก็มีแค่เตียงเดียวแต่มันยังมีที่ที่พอวางเตียงได้อีกนะครับลักษณะนั้นก็แจกตามที่ตั้งเตียงนะครับถ้าเรากำหนดว่าให้แจกตามที่ตั้งเตียงอย่างนี้นะเพราที่ไม่พอนะถ้าไปหวงตั้งไม่ได้นะครับก็ต้องแจกตามที่ตั้งเตียงนะ แล้วก็ต้องประกาศต้องแจ้งสองข้างว่านะว่าเนี่ยกุศลชนะชนะเราตัวนี้มันไม่พอเนี่ยราบเราก็ต้องแจกางิาวที่ตั้งเตรียงนะบอกโอ้แม่เนพระเถระผมต้องอยู่รูปเดียวนี่พวกคนไปแอบอกันนะสาวสี่ลูปก็ว่าเลยจะมาทํานี้ไม่ได้นะไม่ได้ครับมันเป็นวิธีการแจกชนะชนะต้องทําอย่างนี้นครับคนที่มีพิจานณาที่ข้องมีสิทธิพิจารณานะว่ามันพอก็ต้องให้อยู่นี่นะครับถ้าเขาต้องทำใจไว้ก่อนว่า ถ้าท่นไปอยกุฏิราย ใ, ใหญ่ๆเ่ที่มันอยู่ได้หลายรูกใช่ไหมก็ต้องทำใจว่าถ้ามีคนมาอยู่ด้วยเนีท่านท่านจะห่วงกั้นไม่ได้นะพอมไปสิ น, สนาชนะสองะะะนอะคระับ้ยไม่ได้สิกุฏิมีเยอะแล้วมันไปเบียดเบียนท่านท่านอย่างนั้นม <c oughs> ไม่ได้อันนี้ในกรณีกุฏิไม่พอนะกุฏิไม่พอถ้าพอเลเยอะแล้วอย่างนี้นะครับก็ต้องไปอยู่ คนอื่นครับยัอยู่คนเดียวนี่นะเราไปอยู่กับพัอคนต่างน้อยค่างนางเนี่ครับทุกแม่ก็อยู่อยู่ตนนั้นอยู่สรูกแล้วแต่พักเสร็จาล้เข้าไปเยอะอเป็นแค่นี้เรารู้ตัวว่าห้องอย่างมาอยู่นะซึ่งตอนนั้น เอาหลังนี้ให้ได้าเลย <c ười> คือหลังนี้อเถ้าอยู่กันตั้งสองรูปแล้วใช่ไหม <c ười> แต่ถ้าก็อยากจะเข้าไปอยู่หลังนี้แหละ <c ười> หลังอื่ก็มีว่างก็ไม่เอาใช่ไหมครับไม่ไม่เป็นอันบัตรอันี้ <c ười> มีเพียงความสามากถให้ก็มีสิทธิ์อยู่นะ <c ười> แต่วันนี้ก้ อ, อกยอาใัยเกี่ยวกัารเอื้อเฟื้อของเขาถ้าพูดถึงการวิ่ตามที่ไหนท่านก็ไม่ผิด น, นะเ <c ười> พราะเรายังสงาสาร ในวกติอย่างนีก็ว่างหน้านะก็ผ้านวากาไม่ต้องย้ายไปยานนี้ย้ายไปอยู่หลังอีกแทนนะครับแต่อยากพูดถึงในแากของอะไรสารนิยธรรมนั่นนะเนี่ยตากายกรมกรมจิตก ม, มนกรรมนะครับรดดถช้ความสุ่จะเ อ, อเื้อเตือเพราะนหลังอีกต้งนีเคราอยู่แง่ๆก็ต้งสองรูปนะ <c oughs> อยู่ในเล่มที่นะครับท่าน้เาถเป็นเล่มที่เจ็ดนะเียว่าเสนาสนะสันติกาครับถ้าจะเล่นผิดนะเจ็ดหรือว่าก้างเนี่ยแต่ในหัวข้อนะเสนาสนะสันติกาครับท่านจะพูดถึงว่าให้แจกยังไงะรังขนาว่าถ้าไม่พอจริงๆเนี่ยทําังไงถ้าแม้ไม่พอเลยนะแกคนละเตียงก็ยังไม่พอเลครับ แจ้ที่ตั้งเตียงก็ยังไม่พออีกนะก็ยแบ่งกันนอนคนละยาม น, นะครับสามยามนี้นะหรือผ้าอยู่เยอะมากนะอ้าวผ้าเถอะนะหรือว่าก็ไปแบ่งกันเองว่าใครจะนอนเวลาไหนนะนอนใครจะนอนปฐมยานนมา่ะปฐมยามไปปฐมยามก็แบ่งกันนะครับใครนอนแต่หัวค่ํานะก็นอนปฐมยามถ้าไม่พอจริงนะหมัต้องทําอย่างนั้นะครับจะมาผิดการมได้แต่คนนิดไม่ได้นะ พูดอะไาไปอยู่คนไหมอยู่อะไรบอย่างนีออ้นนไม่ได้<อ> <c ười> ดค่อนอน่งนทำนี่มฝุ่นกระไรครับทำอยูสามก็ต้องนั่งเดินนอนท่าได้เดินเลยรูปนรูปเดินดูของรูปหแล้วก็นอนรูปหนึ่งก็สาับเปลี่ยนกันนะับเปลี่ยนกัน ที่มนุษต้มนมายนในสิษยาบุญนี้เพราะว่ามาันมาจากที่ศัพท์วัคคีนะครับ <c oughs> แยกเลยคโดยสมัยนั้นพพระพุทธเจ้าประท่ับอยู่หน้าพระเชตวันอาลางของนาัานทาบิดิกาข้ามาดีเข็บพระนครสามุทีครั้งนั้นพระศัพท์คคีเกียรติกันที่นอนดีๆนี่นะครับพระศัพท์วีแกมีแกไปก่อนนะ พอไปก่อนเลาวเกลียดกัรที่นั่นที่ดีๆนะครับไว้ให้ผ้าเสื้อผ้าถลายย้ายไปเสียนี่ยังจะทําที่นี่ยังไงธรรมดามดี๋ยวผ้าเสื้อผ้าย้ า, า, า, า, า, ย, า, ย, ายข้านาฬิกาใช่ไหมอันนี้ย้ายผ้าเสื้อ้าไปนะครับเนี่ยดูทำอย่างนี้ยนะถือว่าไม่มีความคารวะกันแค่นี้แหะ <c oughs> แล้วคิดกันว่าได้อุบายอะไรหนอพวกเราจะคย อ, อยู่จำปัสษาวะที่นี้แหละนะ ค, ะคะรับการที่ไปแบบครอบครองบ้านที่นั่นเลยนะ แล้วท่านการนอนแทรกนะครับแทรกแซงพาติละที่หมายด้วยหมายใจว่าผู้ใดมีความเข้าใจผู้นั้นจะหลุดไปเองนะครับบรรดาผู้สุงที่มังน้อยสันโดษต่างก็เพ่งเข้าดีเตมพุทธนาว่าฉนันใดประชุมวิคีจึงได้ท่านการนอนแทรกแซงพาติลาที่หมายและกลาดึงเนื้อความนั้นหนึเมื่อพระเจ้าพระเจ้าทรงสอบถามทรงตีเตียนแล้วก็บกรรยักขาบท น, นี้ขึ้นมาต่อไป เนี่ยถ้าอธิบายเขาว่ารู้นะคือรู้ว่าเป็นพระพุทารู้ว่าเป็นพระอาพาธรู้ว่าเป็นพระที่สมมอกวิหารให้เนี่ยมาดูคำอธิบายในกัมขาเลยนะครับหน้าร้อยเจ็ดสิบสองแล้หน้าสุดท้ายเลยนะครับอธิบายอนุปคชาาทาทัาสิกขาบทพึงสราบอธิบายสิกขาบทที่หกต่อไปคําว่าชานัณต้องเป็นมิตร ช, ชานะ้าง ชาแนงครับความว่ารู้อยู่ว่าพิสูจนี้ไม่ควรจะให้ย้ายออกเพราะเหตุ น, นั้นเองในการจําแนกบท น, นั้นคุณพระภาคเจ้าจึงตาดว่าอพิสุรู้ว่าผู้นี้แก่เท่าแล้วรู้คือรู้อย่างนี้นะรู้ว่าเป็นไข้รือว่าพิสูจนี้มีวิหารองสง์ให้จริงอยู่พิสูจนู้เท่าไม่ควรจะให้ย้ายที่เพราะท่านแก่เท่าแล้ว ถ้าแก่มากระบ า, ากเช่นเจ้าว่าเนี่ยนะครับเขาไม่มีใครไปรย้ายที่หน้าเราพ่อท่านภาษาเยอะสุดในว่างแล้วนะหร <c oughs> ือว่ามีผ้ารูปอื่นที่มีภาษาน้อยใช่ไม้มแต่ท่านแกอายุมากแนละ้วเมื่อก่อนพ่อประเสริฐเนี่ยนะประเสริฐที่มาสร้างสติกรรมฐานนั้นนะครับเพรอ๋อยุมากนะครับนั่นก็ไม่ควรย้ายนะเพราะว่าแกเท่าถ้าย้ายก็รนะบากในขนณค่าของของเนนะี่ยคนที่จะอนุพ่อท่านนะครับ พิสูจน์ไข่ไม่ควรให้ย้ายออกไปนะครับไม่ควรให้ย้ายออกไปเพราะเป็นผู้ไม่สบายเอยยิ่งป่วยอังี้ไม่ควรย้ายเลยนะแสดงว่าเกินไปแล้วไปย้ายคุณป่วยนะครับใจคอเป็นยังไง <c oughs> ย้ายไี่ถูกป่วยนะไม่ควรย้ายคนระับ น, นั้นอันหนึ่งสองกำหนดความมีอุปการะมากและความเป็นผู้มีคนพิเศษของพิสูจผู้เป็นเจ้าหน้าที่เรียนคับนี่งไง นั่นเป็นครั้งทำานหนักนะฮะมันอยาก จ, จะต้องปรับผิดชอบเยอะนะครับเกิดของในห้องคลังหาย ห, หรือว่าผิดพลาอะไรเนี่ยนะจิตน่งที่ยอ้อนกลับต้องรับผิดชอบทํางนานแบบนั้หรือของผ้าธรรมกะเถกผ้าพินัยทอนและอาจารย์ผู้สอนหมู่ข้างหน้าแล้วนะครับสมมุติวิหารให้เป็นพิเศษอันนี้ต้องอยู่ที่สองด้วยเนเรสองต้องสมสมุติให้นะพวก น, นี้นะครับ เพราะฉะนั้นพิสูจที่มีวิหารซึ่งสงสมมติให้แล้วไม่ควรที่ใครๆจะให้ย้ายออกผมก็ยังไม่เคยได้สมมิลนะสมมครับแต่ของเข้าแกงใจนะเคาเห็นใจเราอยู่ไม่มีใครย้าอยออนะครับแต่แล้ผมเคยอยู่ตุติลังนะติดบริษัทใช่ไหมอยู่ที่เีสี่ปีสีนะ่ห้าปนะีอยู่นานอะไรเลยครับจะมาลู้หาผมติดที่มันก็มาสะดวงรนะึแล้วสปายาหนะ่ะ ก็ไม่มีคนอื่นเข้ามาเลื่อนผมก็เลือกเนื้อๆนะเข้าภาสานานๆก็เลื่อกหลังนี้แหละย่างนี้แหละมั่อก่อนเป็นกุฏิบนหนึ่งเลื่อนหลงนี้นะครับจำนวนคนผวาเาหมักไส่เยังไงม่รู้นะเขาบองกุฏิสองผมก็ไมมีใครเลื่อนผมก็เลยพูดอย่างนี้นะผมบอกถ้าผงย้ายนะก็ต้องมีคนโดนย้ายเข้าภาสาน้อยผมก็กลัวโดนย้ายแน่ยิ่งเอาพวกนี้เลยนะ คนทีอยากจะให้เราย้ายเนียจะเข้าไปอยู่กุฏิก็ใช่ไหมย้ายอะก็ต้องย้ายทั้งคืนเข้ากลัวก็เลิ่มพูดมาเนี้ยเริ่มพูดมาแล้วผมย้ายก็มีคนโนย้ายใช่มผมต้องไปเลือกกุฏิที่ผ้ามันสาน้อยกว่าอยู่เมือัมันก็งเธรรมดาใช่หมันได้ติผมก็ไม่ได้ติดรอกถ้ามีใครจะอยู่ผมก็ย้ายนะครับแต่รู้สึกเมื่อก่อนไม่ค่อยอยากจะย้ายเหมือนกันนะของมันเยอะแล้วก็มันซื้อเยอะจริง มันก็มันก็มีใจอย่างนั้นนะแต่กรณีแท้ๆจาเป็นต้องย้ายแต่เรื่องจริงเราก็จะย้ายออกแต่รู้สึกว่ามันภาครับลำบากของเยอะโมอกุลย้ายแนะเป็นตู้ๆเมื่อก่อนมีนอยู่สองตู้ด้วยกันนะครับเยอะขนาดนั้นนะมผมก็พยายามสละดนะครับสลัดจนหมดไปตู้หนึ่งแล้วนะเรตู้หนึ่งนะครับสละถวายพระเพื่อนมากถวายส่งไปที่วัดอือ่นบากนะเรตู้นึงนะครับก็ส่งกลับไปบ้านได้แตดก่อง แค่กองไว้นะผมก็มีบาลว่าถนัดให้โยมดีกว่าสนัดให้โยมเอาไปไม่เป็นของเรานะครับ mm hmm. มันจะได้ไม่ยึดถือของแท้ทีนี้ของบาลลงแล้วนะไม่ค่อยกวลวนะฮะย้ายนะมันสบายใจเนะ mm hmm. มื่อทีอะอาชีพมันใหญ่ยํ า, ยยาก็มีเหตุผล น, นะครับ mm hmm. ของเยอะของเยอะเราไม่ค่อยจะย้ายนะต่อไว้ที่อื่นก็ไม่สะดวกใช่ไหมครับแต่ถ้าของเราไม่กลัเลยนะมีแค่บริหารแปตนะ่ะ mm hmm. ย่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์ก็ได้เอาสิใครกล้าอันด่วนกันไหมให้วุ่นไปทีนี้อ่าอทิตย์ต่ออาทิตย์หนุนวนกันให้ลอกบ้านเในคนของหน้าก็ลหมากนะแต่ถ้าเราบริหารแปว่าเราไม่กลัวอะไรเรียนจะเรียนครับปังอะไแต่เขาไม่ทํำไปอย่างงั้นบางทีเขานึกครอบคราี่เรียนเขามีหนังสือมีอะไรเงียรัพอย้ายบ่อยมันก็เสียสมาธิบาง ท, ทีเรียนไม่สะดวก ถ้ัพ่ามึงก็บอกว่าข้อโดนย้ายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสามรอบนึงมันจะมีช่วงที่ยา้ายเอาตตระเลยนะช่วงนั้นน่ะมันรู้ใครต่อใครนะครับก็คือพอมัชชิมะโดนย้ายใี่ไหมท่านก็ไปะย้ายแล้วว่ากาต่อแล้วก็พรษามา่าเนะี่ยก็ประย้ายพรรษาน้อ ย, ยอต่อ คือาตองคนหนึหน่งนะคนก็ต้องก็ต้อ ง, องเลือกกุติไม่มีใช่ไหมเมื่อต้องเลื่องเมื่อต้องดหลังเป็นเรื่องนะคมันก็เป็นมันจักวนรื่อมันต้อ ง, งอ ด, อาาอดูที่คนคนแรกเนี่ยต้องคิดให้ดีก่อนน ะ, <c oughs> มนะไม่ทให้คนเขาต้องวนเวรียนกันหรือป่านี่นะครับนี่แหละที่หลังก็ไม่คยมีนละวเขาเขารู้แล้วมันเป็นเร่องให่ <c oughs> ้วหลงพอลอสอบสอบสอบครสอบเครื่องเรียน มัวแต่ย้ายนี่ติเงี้ยเนอะย้ายมาเนี่ยยังยังไม่ทําจะเอาข้าวที่เลยมาอีกนะมาเรื่ออีกแล้วช่วยได้ผมว่าจะไหนมาอีกแล่วเลยมาเรื่อยอ้อมผมเลยแล้วผมก็เลยหีไปทำงานชื่ออะไรประจับใส่เนี่ยชื่ออะไรข้างบนห้องนี้ผมเรื่อยอ่ะสี ความประยุทธ์ช่วน่อยบาทีอยู่ที่เจ้าหน้าที่ด้วยครับอันนี้คือความสถานเจ้าหน้าที่ น, นะ<ม>ความสถานเจ้าหน้าที่ด้วยนะคร<ม>ับบันทีถ้าเราเจอแบบแบบสุดต่งเนี่ยสุดโต่งนี่แล้วก็แบบมันก็ลําบากลำบนนะครับไม่ได้เลยอย่างงั้นนะเพียรต้องวนหาว่าไม่ทําตามวินัยอีก น, นะจนเราทำตามมันต้องมี ท, ทั้งทำวินัยและก็บรรทึกคู่กันนะคร<ม>ับไม่ใช่เราจะมาอ้างวินัยแล้วเพียรนุว่านบอก อ้าความเอื้อเฟื้อแต่มาทําสิ่งที่เป็นความไม่เอื้อเฟื้อนี่ยมันดูไม่คือใช่ไหมลลแล้วก็ต้องคุยนั่งเถวแล้วมีนายคู่กันไปนะครับทั้งสองอย่างที น, งนี้เราจะรู้สึกว่าไม่ขัดกันแต่ถ้าเราไปคุยแค่อย่างนี้เอ๊ะทาไมเป็นอย่างนี้ล่ะมันจะรู้สึกอย่างนี้นะครับอ่อแต่ถ้าอาจจะคิดในแง่หนึ่งก็ได้นะยั้งบ่อยๆ เ, เอามายึดติดนิดเนึ <laughs> ่งแต่มันก็ลําบากลาบากท่าเรียนเลยแต่ก็ได้ประสบการณ์กันกันหลายรูปแล้วนะครับ ที่นี่ก็ไม่ค่อยอยากจะย้ายกันแล้วนะอย่างอย่างเรียนเนี่ยสามขับนเนี่ยสามสามวิชาเนี่ยวิชาเนี่ยไม่มีหัวเดียวหรอกมีเร่อเดียวกันเอาไว้คราวพักก็อะไรบ้างเนี่ยทั้งบริหารมีย่างอย่างหูเต็มอ่หมดครับแต่ที่แต่ที่ก็มีที่เห็นมีที่เจ้าหน้าที่ด้วยนะหายอย่างนะช่วงนี้ก็เลยสบาย ต้องขัดกาวใช่ไห ม, มันเป็นของส่งอยู่แล้วล <c oughs> มมผมก็เลยคิดได้เงี้ยว่ามันก็ทําให้เราอยากจะสนาบริกาออกไปบ้าง <c oughs> มันได้สนาออกไปบ้างตอนที่ย้ายกุฏินะครับเพราะงั้นมันก็ขนเข้าขนเข้านะมีแต่การนําออกไม่ค่อยมีการพิจารณานะมีแต่การนําเขา้าไม่ค่อยมีการพิจารณา น, นะละนำออกนะครับมันต้องมีพิจารณา น, นะนำเข้านําอบอกมากนะ มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะทนีไม่ค่อยอยากจะ ย, ายาะ้ายลำบากนครับถ้ามีาบริการแปรงฟี่เลยนะนอสานอะไรคิดได้ายอบคนไม่มีของไม่รู้ว่าเราดิสแค่ไหอาต้งีค่ ะ, รคร ะ, ะต้องรูตองคิดได้หลาย่มุครับนะ่เป็น่างนีก็บต้องใช่อมันจำเ็หมดนะท่านก็บอกใ้ในคำทีนินะคมากว่า ถ้าอยู่นานแล้วมันจะมีปัญหาบริหารเยอ่ถ้าเราไปอยู่ว่าไหนเราก็อยู่นานนะยิ่งถ้าไม่ค่อยนิ ย, ยัดปกตินะครับอยู่นานแล้วบริหามันจะเยอะนะเยอะขึ้นเยอะขึ้นยายก็เยอะนะครับของเยอะหมดเลยนะมันจําเป็นไปหมดนะครับอัไหก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็นนะไม่ได้ถือแม้เศษขยาะอะไรดีไซน์เคลนก็มันเก็บไม่หมดนะครับ <c oughs> ผมยั่มีนะเมื่ต่อนเนี่ยขวดมั่งอะไรมดแล้วนะเกินีลครับเทียหน้ากันหมดเลย <c oughs> ไม่ได้โอ้ลำบากไหมครับลำบากเป็นโทษอย่างหนึ่งนะครับท้ายนั้นนึกถึงในสมัยก่อนเขาบุร no ิคาน้อยนะไปสะดวกครับไม่ผลิพ่อไม่กังวลมากนะต่อไปนะครับ คำว่าปุกผู้ปักผ้าตังแปลว่าผู้เข้าไปอยู่ก่อนความว่าอนุปัฏชานเข้าไปเบียดเสียนะครับคือเข้าไปถึงอุปจาระของเตียงและต่างนี่ครับหรือที่อุปจาระในขาดไหนนะครับถึงอุปจาระของพิสุนะครับผู้เดินเข้าไปและเดินออกจากที่อยู่ในเรื่องการกาหนดอุปจาระนั้นอุปจาระของเตียงและต่างกำหนดประมาณหนึ่งสองรึ่งรอบๆในวิหารใหญ่ 7.5 เซนจริงครับหนึ่งสอบครึ่ง น, นะครับหนึ่งสองแล้วก็อีกครึ่งนึ่งสอบทำน้ำไที่สอบข้อ ส, สุดคนนะครับอันนี้สอบธรรมดานะหนึ่งสอบครึ่งรอบเตียงต่างนะครับรอบเตียงนั่นนั่งในบริเวณ น, ะะนั้นนะครับนี่แหละในมหาเล็กนะครับกำลังประมาณหนึ่งสอบกับหนึ่งครึ่งมันก็เท่า ก, กันแหละใช่ไหมเท่า ก, กันนะนันน่งสองอะไจากระถานที่พอจะตั้งเตียงได้ มันจะไม่มีเตียงนะราะว่าวิหารเล็กล้วก็ที่ที่สามารถตั้งเตียงได้นะครับไปนอนใ น, นรอบๆบริเวณนั้นนะอุปจาระของพิสุจ์ผู้เดินเข้าไปยังที่อยู่นะครับกำหนดเอาตั้งแต่ก้อนหินสนระ้างเท้าจนถึงเตียงตัดนะครับมันก็จะมีถ้าเป็นยุคสมัยก่อนใช่ไหมมีอะไรนะร้าล้าง้าขึ้นปุติใช่ไหมครับแต่ตรงนั้นนะ สำหรับพิสูจนูจะเข้านั่งสุตินะครับต้าแที่ล้างท้าเข้าไปถังเข้าไปนะอุปจาระของพิสูจผู้เดินออกจากที่อยู่กําหนดเอาตั้งแต่เตียงต่างจนถึงสถานที่ถ่ายปัสสาวะนะคราอาจจะไปคนละทางต้องไปไกลหน่อยที่ถ่ายปัสสาวาะเนี่ยสมัยก่อนข้าวจะมีห้องน้ำถ้าอุจจาะก็มีว่าจักรกูดีห้องน้ำใช่ไหมถ้าปัสสาวะก็าอาจจะตรงไหนก็ได้เนี่ยนะไปก็ไกลๆหน่อย น, นะครับไม่ให้มีกลิ่นเงี้ยนะเนี่ย ทีนี้นะครับร่องนอนตรงไหนจะวาดภาพให้ดีหมนี้ก็เป็นการวาดร่างกเยนี่มันไม่ไกลมากจริงๆน้ำอะีรก็บอกว่าถ้าลอกเดียวต่างเด็กสอบคือเพิ่อสอบเสร็จน่าเสียนะครับมีอวกมาในน่าเสีนี่ก็คือขวา ก็ใช้อินเดียบ่นนอนหรือว่าอินเดียบ่นั่งกันละแสนนะตีในระเบิบริเวณที่ว่านี้นะครับรอบจริงต่างแล้วก็ตรงขวางทางเดินเข้ากุฏินะแล้วก็ทางไฟปัสสาวะตรงนี้นะครับก็ปูเลยนะปูพวกปูที่นอนนอนขวางกันแล้วเลยนี้ครับเพื่อจะได้ให้ข้าบากใจคําว่าใสายังกับปรย่าความว่าเพราะต้องการจะเบียดเสียดที่สุนั้นนะครับ คือเจ้าของที่อยู่นะต้องการมีสิทเจ้าของที่อยู่จึงลาดที่นอนแม้อย่างหนึ่งนันมาดาที่นอนสิบอย่างนะครับเอาฟูกบา เ, าเสือบ่าหน่อโพนอนอะไรนะครับในประจาร่านั้นหรือให้ผู้ื่นลาดให้ตัง้งประตูกดนะตอนที่ลาดที่นอนประตูกดก่อนนะครับเมื่อนั่งหรือนอนบนที่นอนนั้นตั้งบัตรปาจิตติครับถ้าคทำทั้งสองอย่างคือทั้งนั่งแล้วก็นอน อันนี้ก็ต้องแบดไปจีสองตัวนั น, นั่ง น, นั่งนอนนอนบ่อยครั้งต้องแบบไปจีตาจมูกครังนครับนั่งก็ตัวนอนก็ตัวนั่งก็ตัวนอนก็ตัวนะต้องปรับไปนะครับต้องมีการนั่งก่อนใช่ไหมแล้วก็เอ็นหลังนอนเอเกิดประเภทอันับนะครับสี่การบนนี้น พุทธภาคเจ้าทรงปา่ที่ระพิสุทธคีในเมืองสามัคคีบรรยัติไว้แล้วเพราะเห็นคือการเข้าไปนอนบีเสียนเป็นสาธารณบัญญัตินที่สุนีก็มีเหนครั้งนีนะอนุนติกะไม่เกี่ยวการใช้นะครับใครไปนอนไปขวางเขาก็โดนเองนะครับอันนี้ติกับไปอีกทีเป็นวิหารของสงนะครับนี่เี่ยของสงขึนมาอัน ไปวิหารของสงฆ์เขาใช่ใชกุฏิที่อยู่ของสงฆ์นะเอาเข้าใจสงสายสำคัญผิดก็ต้องบาดทั้งนั้นนะครับวิหารที่อยู่ส่วนบุคคลเป็นติกะทุกกฎเอาขนาดกุฏิส่วนตัวเ่อเนี่ยเขาไปนอนขวางนอนเบียด น, นะครับอันนี้นต้องบัทุกกฎปูราาหรือให้ผู้อื่นปูราาที่นอนข้างนอกเต็มปัจจาระนอกจากที่ที่ว่าไว้นะ มันได้ตรงหนึ่งสองคืบไม่ไ้ตรงเขาแต่เลยออกมาม่กนะห่างประจาร่างออกมาครับแต่ก็อยู่ฐานนั่นแหละแต่ว่าหา่างไอที่บอกว่าเขาออกมาอืมอ่าครับข้างนอกแต่อุประจาระตามที่กลับมาแล้วหรือในรองฉันเป็นต้องนี่นะหรือในอุปจาระแห่งที่อยู่ต้องอาบัดทุกกดอุปจาระที่อยู่ก็ไม่ได้เข้าไปในกุฏิแล้วปูนอนข้างนอกกุฏิแล้วนะ แต่เห็นหน้าข้าตางก็อย่างนี้เนี่ยปอานอนนตรงนั้นแหละนะรอบกุฏิเลยครับือนก็ว่ากวรวนะครั บ, บ, รรบเป็นกวรแถวนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ยะต้อมแบบทุ ก, นกอนนะครับท่านพูดเ่าหนังเลยนะไม่ขนาดว่าเป็นโคนมาให้นะครับเนี่ยปูเองก็ดีให้ผู้่นปูก็ดีนะซึ่งที่นอนหนึ่งประจานะคือที่ใกล้กุฏินะครับก็ดี ในลงฉันก็ดีนะครัในบนดอกก็ดีปลารำนะใต้ต้นไม้ก็ดีถ้าบีบคนไม้ถือลูกขมูใช่ไหมก็ขอไปนั่งนอนใกล้ๆนะครับไปกลวยให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยในที่แจ้งก็ดีนะอันนี้พียังต้องอาบัดกดนะครับเวลานั่งเข้านอนเข้าก็ต้อ ง, าากฎกฎางอาบัดกดเลยทําไมท่านถึงเป็นปากอาบัดเลขณะนี้นะท่านก็มีข้ออธิบายว่าทำไมปั๊มขนาดนี้นะ <c oughs> ที่ตามหลักขนาดนี้ก็เพอาอย่างนี้นะครับเพราะไม่ต้องการรดวมสภาข้าบุคคลหรือคนที่ยังไม่ถูกกันนะเช่นนี้อยู่ในวิหารเดียวกันหรือในบริเวณเดียวกันฉะนั้นท่านจึงห้ามกันการอยู่แห่งวิสภาข้าบุคคลนั้นในที่ทุกแห่งทีเดียวนะครับเนี่ยห้ามไม่มาโกนเลยนะถ้ามีวิสภาขภาบุคคลยังไม่้ถูกกันนะครับ เขเถียงทะเลาะกันว่าลงไมาลงมือกันต่อไปนะครอาณาบัต น, นะไม่ต้องอาบัต น, นะพิสูจไม่ต้องอาณาบัตเมื่ออ่าปูร่าดไว้ในวิหารส่วนของตนกุฏิ ต, ตนเองก็ดูคุณาทีด่ดูผิดนะดูผิด น, นะคุณาที่นะอันนี้อาณาบัต น, นะครับเมื่อปูร่าดในวิหารของตนกุฏิส่วนตัวเราไม่เป็นไรเข้ไม่มีปัญหาหรอกหรือของพิสูจผู้คุ้นเคยกันก็ดี ไม่เป็ไม่สบายหรือถูกความหนาวหรือความร้อนเบียดเบียนจึงเข้าไปอยู่ก็ดีนะครับบางทีมันป่วยกระทันหันไม่ไหวน่าเดินกัะวุติไม่ไหวนะครับตนะะแต่มันต้องพักที่ไหมเขอลบเข้าไปกุติก่อนนะครับขอไปนอนพักก่อนนะยิ่งได้นะครับถูกความหนาวดูหนาหนาวเหล้วเกินน ะ, ะถูกความร้อนหรือฝนตกอะไรพวกนี้นะครับขอลบเข้าไปก่อนยิ่ได้นะครนะัเกินอันตรายก็อีอ อันตรายจากสาัตว์รอันตรายชีวิตุพรมใจก็แล้แต่นะครับขอเข้าไปได้พิสูจนบ้านเป็นต้นก็ดีไม่ต้องอางบาัตรองอาบัตรสิกขาวันนี้มีองศีเหล่านี้คือหนึ่งที่อยู่เป็นของสงเป็นุตตรที่อยู่ของสงนะครับสองรู้ว่าพิสู่ที่อยู่นั้นไม่ควรย้ายออกอันนี้นะเป็นภาพภาษามากกว่าที่สุดอาอ้าภาพภาพพุท่าหรือพิสูจ ท, ท, ที่เราสมมุตินะครับสาม ต้องการจะเข้าไปเบียดเสียดเขาว่าไม่ได้เป็นไปนะครับต้องการจะเข้าไปเบียดเนะสียดสี่นั่งหรือนอนอยู่ในอุปจาระคือบริเวณที่ว่า น, นี่นครับสองสองคือแล้วก็ทางเดินไปนะอันนี้ก็เมื่อครบองค์สีนะครับก็ต้องบัดไปทีในสิกขาบทนอ่อสมุทฐานเป็นต้นเหมือนปฐมปราชิกสิกขาบทคืออะไรครับ มันปฐมประราชินนกนะตายจิตนะครับมีจิตไม่ดีเนยมีจิตที่จะไปเบียดเบียดเท่ากันแล้วก็การเข้าไปนั่งเบียดนอนเบียดนะอ่ะตาตามแต่สิกขาบท น, นี้มีเวทนาเป็นทุกข์เท่านั้นแหละใจนี่ดีเป็นอกุศลนะครับต้องการไปเบียดเสียนเขาเจ้าการที่บาลลรนุปกาชาสิกขาบท น, นะครับอ๋อนี่ของเรื่องมากนะมันจะเลยว่าพระแทนเดนให้ไปทำบัญญัติเพราะไม่เป็น อันนี้เป็นอนัตติกาดิแนาะไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับใครไปทานั่นแหละโดนเราใช้เนรไปทาโอ้เราไปทาในหน้าเกียดใช่ไหมใช้เนรไปทาเลยใเนรไปใกล้งคก่อปวนปูนอนในสารนั้นน่ะไม่ไปอ้างบัตแต่เนี่ยมันเป็นอนุสสงิจใชนะนะ่ไหเป็นอุสสงิเนี่ยอนี้ก็จบต่อไปนะครัขอน้นาย ข้อ น, นี้ก็ไปไวเลยนะครับปรหม่าไม่ได้เน่าไปมาประจบหรือเปล่าสิ้นปีนะครับ<ช>นี่แหราะ <c oughs> น่าต้องท่านเร่งได้ส่วนไหนก็เร่งนะไม่ีรอคระเพราะว่าไปตีนตั้งกล้าวะนะครับอันนี้ผู้มาแค่วักที่สองนะมันใกล้เด็ครึ่งเดือนแล <c oughs> ้วในไปประเทศลานี่ยกลับมาในครึ่งเดือนพอดีรประหมาะ่าเวลาไม่ได้เลย กำมัดูเท้าหน้ารนะ้อยเจ็ดสิบเ็ดะข้อที่นะทสิเจ็ดนะครับพิสุรูปใดกดเครืองไม่พอใจชุดเองก็ดีให้ชุดก็ดีซึ่งพิสุออกจากมีหารของสงต้องอาบัติปาจิตีนะครับออกจากมีหารของสงแล้วไม่ต้องอาบัติหนึ่งอารัชีพิสุ ชุดออกจากกุติของตนได้ไม่ควรไล่ออกจากวัดสองผู้ก่อความทะเลาะวิวาก่อเรื่องในสงฆ์ไม่ให้อยู่ในวัดเลยก็ได้สามอันเทวาสิกหรือสัตว์ที่วิหาริผู้กระพื้ไม่เรียบร้อยเหมือนอลาชีอันนี้นะอธิบายนะครับท้าบอกว่าที่สุดในกดคือไม่พอใจ อันนี้ชนะัดเจนนยะเกิดโทสะนะก็ไม่พอใจเลยชุดเองก็ดีให้ชุดก็ดีซึ่งพิสูจนะครับออกจากกุตินะของสงนะครับอันนี้ต้องบัดดาจิตตี 10. อาจจะโกะอะไรสักอย่างนะไม่พอใจนะก็เลยลากเขาออกออกจา ก, กุติสงเลยทั้งที่เขาไม่ได้แปลงร่างฉลองอารางขีอะไรนะไม่ใช่ประกรอบความทะเละาะวิวาทแต่ไม่ชอบใจนะครับก็เลยลากออกไปเลยนะเนี่ยชุดเองก็ดีใช้หุ่นชุดก็ดีนะ ออกไปนะครับต้องแบบไปอยู่ที่เท่านั้นนะครับนี่นะผมว่าต้องออกไปถึงถึงผ่านประตูออกไปนะผ่านประตูออกไปจยต้องอาบัตนะครับทีนี้ก็มีบุคคลที่เราสามารถฉุดออกได้โดยไม่ต้องอาบัตนะคือใครคือพิสุอาละชีนะครับพิสุที่มันมีความละอายนะอันนี้ฉุดออกได้จากกุฏิที่อยู่ของของเรานะคุณที่เราเข้าไปอาศัยอยู่คือท่านมาอยางเี้นะ แล้วก็ฉุดถ้าออกไปได้นะครับฉดรือว่าไลายย่ไปนะออกไปได้เลยนะครับอืแต่จะล่แต่ว่าทั้งหมดเลยไม่ได้ครับเพราะว่าถึงแปดลาชีท่านก็ยังเป็นผ้านะท<ม>นาชนะเขาว่าถาวายสงมาจากท่านสี่นะครับท่านก็ยังมีสิทธิใช้สอยได้นะ<ม>ลาา่าต่วมาเขาซึมไม่ได้เฉพาะกุฏิที่เราอยู่หรือว่าไล่ออกไนปะแต่ท่านบอกว่าถ้าไม่ได้มีจิตโกรธเลยไล่ที่สหน้าชี่ออกไปเนะี่ยไม่ได้มีจิตโกรธนะ ไล่แกวออไปนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอนานะคร<ม>ับเพราะในสิคขาบทนี้ก็บอกว่าอะไรโกรธเคือไม่พอใจใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้โกรธเคือไม่พอใจเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่มีปกติติดเตียนคนชั่วะครับคือเห็นใครทําอะไรไม่ดีนะ่ะทําไมลูกเราเมื่ออาบอทาอะไรผิดอย่างนี้ใช่ไหมทางลู้ทงลูกก็ยังทํานะครับมีแต่ใจอย่างนี้แต่ไม่ได้โกรธนะ เพราะความพูดปกติติเตียงคนกระทำบาปนะครับก็เลยไล่พิสู่น์และเฉียวไป<ม>ด้วยใจที่ไม่ได้โกรธนะไล่ไปจากวันเลยอันนี้ไม่ต้องทำบาสนะครับไม่ต้องทำบาสเลย<ม> น, นะแล้วก็คู่ก่อความทะเลาะวิวาบหมากอะไรพวกนี้นะอันนี้ไล่ไปจากวันได้เลยนะครับเพราะเราอยู่โลกอีทายก็อสงอยู่ไม่ผานศึกนะไล่จากวัดได้เลยนะครับ ไอ้ตรพานั้งเลยนะฮะเรื่องหาไปนะาาทั่นะนว น, นะครับก่อเรื่องก่อลาวก่อที่กอนนะนี่แรกจากวันนี้เลยะครับคนที่จะไปให้จิกระชากแต่ไม่ปวดหรอแต่พอรูึกจิตกระชากกเปิดโมโหอนอ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะไระออ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่่่อ่อะอ่่ะอ่ะอ่่อ่ะอะอ่อ่ะอะอะ มาถึงพสูจน์อรัก c นีใช่ถ้าไม่ใช่ถ้าถ้า่าเป็นสจอรัก c ก็ะนั่ที่คนที่จะออกกจะไม่ให้โกรธอ่ะถ้าให้ออกจากกุติของที่เราอยู่นะแล้วกุฏิส่งก็ไไหมนอกจากุติส่งก็ยังไม่ได้อาอให้ออกจากว่านงเลนได้นะแต่หมายว่าโกรธขึ้นมาตอนตอนที่พูดมาเนื้อใช่ไหจะให้ออกได้มายกออกอย่างนี้นะนใหใ้ก็พูดถึง เกิดใจบาขึ้นมาครับกรอกขึ้นมานี่ทาไงยังก่ว่าไม่ความแรกใสเนี่ยยังหรือว่าไม่ถือมาอยู้วไม่ถือทีอะไรอย่างเงี้ยยังเขาต่ไม่ไความจริงถ้าเราอาจปฏิกิยาฟังพ้อเร่กลัวลวนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กันครับไม่ค่อยอยู่กันนะคือมุ่งเคเขาไไป นี่คุณนายบอว่ามีนะ้วมาลูปมีแบบระดับพระศิลป์คูบาจ่าแล้วนะก็เคยมาหลายครั้งเขาก็เห็นใจท่านอยู่นะท่านบอกว่าท่านก็พยายามจะทาแต่ยังมีตรงนั้นตรงนี้อะไรอยู่ก็พยายามมันก็ต้งนานแล้วนะท่านจะไม่สั่งทันทีว่าจะพยายามพยายาม拉ไปมันไม่สั่งทีหรับแล้วก็อย่างไงแต่เวลาท่านไปนั่นก็พยายามจะเอาไปอยู่กฏิโยมแทนนะ ก็ติยโยไม่ใช่กุติสงนะคร <g ül> ับใน่าใช้มีธีเรียงนนนะแต่ถ้า อ, อยู่ลำบักอุตส่นั้นะท่านก็ไม่สบายใจนะคะรับทะลุทางตาปฏิกิริกาของตางวิาไหนไม่ได้ถ้าองอุสาหนะครับแต่ท่านก็ไม่อยอม่ารนะอันนี้นก็เป็นโทษของท่านเองนะครับแต่เราก็ยังใช้ไหวแ่อสองวันนะก็ก็เห็นแต่พระสิริคุบาร์ชารดุนะครับอันนี้ถ้าบอกว่าเนี่ยมีมีมนั่นก็ชุดคร้าพิสูจน์ราชีนะครับ ถ้าไมว่าเกิดความโกรธขึ้นไปในระหว่างในระบาดที่กลางฉุนนะมันเกิดความโกรธขึ้นมาแว๊กขึ้นมานี่นะครับเพราะความที่จิตเนี่ยเป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเร็วมันไม่ได้เป็นกุศลตลอดใช่ไหมจิตเปลี่ยนเร็วนะอันนี้ก็ไม่ต้องอาบัตอายนะครับเพราะว่าปาเราถืงซึ่งความเป็นอัลลัชีเนะี่ยเป็นปันจจัยนะเราใส่ใจถือเนี่ยเขาเป็นอัลลัชีนะอืครับมันจะเกิดความโกรธแวกขึ้มามาบ้า ง, าง น, นี้ก็ไม่เป็ น, นะ เกี่ยวบวารนี้่ถ้าไม่ได้แขี้รบอก่าเอาจีวรม่ง้อง้ำแบวเรื่องนี้นะอย่างนี้นะไม่ถึงแปดนั่นชี้แต่เป็นพี่สู้พูดว่ายากสอนยากใช่รหมบอกอะไรไ่ฟังจริงทท่านก็มายอมล่างเราก็บอกอะไรนะต้องอาบจีวรงต้องซักใช่ไหมอย่างนะหมอก็มาอ่อานท่านรักษาโลก รักษาด้วยลูกจ้าไม่อ่าบ น, น้ำท่านป่วยท่านอ่านน้ําไม่ได้นี่นะครับแล้วก็ค้าทํามันไม่สร้างถ้าบอกท่านสร้างแต่ถ้าไม่ใช้แป้งไม่ใช้เคมีมันตาท่านใช้ไม่ได้นี่ค <c oughs> รึ่งเดือนซักทีอทีครึ่งเดือนย้อมทีอย่างเงี้นะโอ้ลำบานะครับมันกบกลิ่นไม่ได้นะเพราะว่าไม่อ่านน้ำทุกวันอะไรอย่างนี้นะเนี่ยนะแล้วว่า ทั้งที่รูปนั้นเขาแบบเข้าท่องปฏิโมห์ได้นะท่องปฏโมหเป็นภาษาไทยปลได้เลยนะครับขนานเลยไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้นะครับ mm hmm. เพียงแตว่ามีมือตัวนี้กั้มอยู่ในไอจิตที่ไปยึดปฏิปทานตรงนั้นไวนะ้น่ะทีนี้พอแกแกยึดอะไรแล้วเนี่ยมันหายยากนะครับ mm hmm. ไม่รู้จะแก้ยเนี่ย mm hmm. ก็มีครูบาอาจารย์ท่บอกว่าแนะนําให้พาแกไปหาหมอนะครับหมอที่นะรักษาโรคประสานนะแต่ดูจากอาการ ใครถามที่เราเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นโรคภาษาปนเรื่องพิธีเขาอันนี้ระบาดนันรู้แก่อย่งไรนะครับเป็นพิธีที่เขาเย็นมั่นถือมัมากนะครับไม่รู้แก้อย่างไงนะดีนะตอนนี้ไม่กลับมานิดจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะแค่ออกจากห้องถ้าเราไม่โกรธล้วก็ไม่มีอามบังนเลยคอันนี้นะทาไมโกรธเลยคิดว่ากุฏิสองมันตกๆเหมือนหมอนใช่ไห พอไม่ยอยอ่านนะไม่ยอมคบข้านะครับอย่างนี้นเราไม่ได้โกหกอะไรนะแค่ว่ามีต้องการรักษาชนาชนะสงฆ์แล้วก็มีปกติตีเตียงคนกัะทําไม่ดีอย่างนี้แถ้ายังไม่โกก็ยังไม่นั่นยังไม่คบอ่อนครับเขายังไม่ออกเนี่ยเราเราจะไปอะไรแบบนี้ได้คงยังไม่ได้นะยังไม่ไนะคนะเนี่ยมันฉุดยังไม่ได้ก็มีวัาอื่นนะที่ท่านไปวัดอื่นใช่ไห ใครโยมาฉุดตัวไป <c ười> ไม่ไหวคืออยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เพราะท่านทำตัวนี่นะแล้วท่านก็ไม่รู้ตัวถ้าก็หาพวกคนอื่นมาเบียนเบียนมาอะไรท่านนะครับ <c ười> ท่านก็เลยว่าท่านก็เลยพูดอ้อผมเนี่ยคงจะอะไรนะแบบมีทยายาสัยในการอยู่คนเดียว <c ười> เราเสียจต้องอยู่คนเดียวนี่ก็ถึงจะผาสุดนะอย่านั้นมันก็ลาบากคนอื่นนะครับนี้นเี่เพราะ อ, องค์นี่ยพระจะบอกว่าฉุดออกค่าออกชุดนหลอนว่าให้ฉุดออกไปด้วยความโกรธ น, ะ, นะมันต้องมีองค์จิตที่โกรธด้วยนะครับต่อไปนะครับคู่ก่อและอันเทวาสุขที่วิหาริก น, นะลูกศิษย์ลูกหาจะเป็นค่าตป็นเด่นคั้นแต่ที่บบพูดไม่เรียบร้อยนะครับทำตัวอะไรไมีดีนะผิดทํำผิดวินัย เราว่าเราสั่งสอนก็ไม่เชื่อนะครับอันนี้ก็เหมือนกับลั่นชี้ชือจากบุติของเราได้เลยนะคร<ม>ับเน้นออกไอ้ม่ต้องมาอยูไม่ต้องมานอนด้วยแล้วนะครับเอาตัวออกไปก็ได้หรือว่าโยนบริขารออกไปก็นน้เอาบริขารออกไปก็ได้เลย ก, ก็ามเป็นไร<อ>ไม่มีอาบันคือดื้ได้จริงๆเนี่ยเราบอกเราสอนแล้วก็ไม่เชื่อไม่ฟังอะไร น, นะอันนี้ก็ออกได้นะครับเราต้องดูต้องดูต้องดูให้ดีสิ ใครที่จะฉุดได้ถุดไม่ได้อย่างนี้นะโทษฉุดไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปหาสงฆนะ์แล้วสงช่วยแล้วนั่นนะคนวะามจริงไม่ได้คนวะามจริงก็ลาบากกันนะแต่เนมนี่ไม่มีปัญหาเนช้อนเนมไอ้เน่ก็สบายไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเนที่อี่นเะนี่ยย่ในภาพดึงน้องยิ่งลำบากเลยนะครับอาจารย์นี่ปวดหัวอะไรนะโ อ, อ้ลำบากมากเลยบันทีเด็กก็ไม่มีศรัทธานะครับหรือมีศรัทธาบ้า ง, างเด็กไ ม, ไม่ไม่แน่นอนแะล้วมันหลอมไหมง่านยะ ว่าอย่างชอบเล่นชอบอะไรอย่างนี้นะครับมามูนมแต่จะเล่นอย่างเดียวมมนไม่ได้ใส่ใจแล้วทั้งอย่างนะะี mm ้นะแค่ยจะเล่นมือนเด็้ชถวบ้านอย่างนี้น ะ, ะ mm hmm. แล้วก็ลำบากว่าการอะไรแล้วก็ยังทําะไรเลยนะครับลาบากจริงๆตอนต้นมันใหญ่หน่อยก็ได้นะคะ mm hmm. นี่หน้า mm hmm. เนาะี๋ยวหน้าต้นมันใหญ่ต้นมันอย่างนี้หน้าเห็นใจพระสัตรัสสาวกีนะครับ mm hmm. <c oughs> โดยสมัยนะั้นว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่หนพระเชตวันอาลามของน า, านทามิตริกะข้ามบดีเข็ดพนทองสามัคคีครั้งนั้นพระสัตราาุสามัคคีปฏิสังขรวิหารใหญ่แห่งหนึ่งท่านก็ไปซ่อมแซมนะปรับปรุงครับซึ่งตั้งอยู่สุดเขตวัฒน์นะครับเนี่ยวิหารสุดมากเขตวัฒน์เลยนะด้วยหมายใจว่าพวกเราจะอยู่จำปรญษารนะที่นี้ถ้านก็เลยไปซ่อมแซมมาบำรุง ก, กันนะ พ, พระเจ้าพันีได้เห็นพระ ส, สัจนะสามัคคีผู้กรลังประดิษฐา อ, อมิหารครั้นแล้วจึงพูดกันอย่างนี้ว่าอาวโชทั้งหลาย พ, า พ, าพระสัจพระสัจนะสามัคคีเหล่านี้กําลังประดิษฐา อ, อมิหารอย่าง ก, กันนั้นเลยพวกเราจะไล่พวกเธอไปเสียไล่ไปเลยแล้วเข้าไปอยู่แทนนะพระเจ้าพันทีนี้ใส่ไม่ค่อยดีครับพราพุทเนี่ยาา น, นะแกว่าคิดอย่างนี้เลย ถึงเห็นข้างกัาเราไปปรับปรุงไปทำให้ดีขึ้นนะก็ไม่สนใจนะครับแต่มีพิสูบางเหล่าพูดอย่างนี้ว่าอาวโสทั้งหลายรอรออยู่ก่อนจนกว่าเธอจะจะปฏิสังขรเสร็จนะครับอย่าเพิ่งไล่เธาทำเสร็จกอเนี่ยเมื่อเธอปฏิสังขรเสร็จแล้วพวกเราจึงค่อยไล่ไปโอ้โหอย่างนี้อะไรนะเกยนะครับอาสามีภาษามางฟันเนี่ย เราให้แกไปซ่องแซงและยิ้มร้อยนั่นแล้วก็ไล่ออกไปนะครับโอ้เหนือเกินึลย <c oughs> ค ร, รั้งพระสัมมาสัมพุทธิบริสังขารเสร็จแล้วพระเจ้าบุคได้กล่าควคํานี้กับพระสัมมาสมพุว่าอาวุโสทั้งหลายพวกท่านจงย้ายไปวิหารถึงแก่วพวกเราอันนี้อ า, อาศัยภาษามากกว่าอะไรกว่าน้ไล่เลยนะครับพระสัมมาสัมพุทธอบว่าอาวุโสทั้งหลายพวกท่านควรจะมองล่วงหน้าไม่ใช่หรือ เนี่ยคุณจะบองค์กรไม่ใช่หรือเนี่ยพวกผมจะได้ปรีสงขอวิหารหลังอื่นพระเจ้าบกกีก็ยืนยันเหมือนเดิมอ้าวโสดทั้งหลายวิหารเป็นของสงไม่ใช่หรือนี่มันของสงเน่ยจะมาลคของกันได้ยังไงใช่ไหมอย่าง <c oughs> <c oughs> นี้เลยนะอ๋นี่น่าเห็นใจนะครับขอเล่าวิหารเป็นของสงพระเจ้าบกกีบอกว่าพวกท่านจงย้ายไปวิหารถึงแก่พวกเราพระเจ้าบุกกีต่อว่าวิหารหลังใหญ่ แม้พวกท่านก็อยู่ได้แม้พวกผมก็อยู่ก็จะอยู่นะครับยใงไงก็ทํามาแล้วนะก็ขออยู่ด้วยนะครับพระสุบรีกล่าวว่าพวกท่านจงย้ายออกไปวิหารหึงแก่พวกเรานะจะไล่ออกไม่ได้นะครับดังนี้นะทําเป็นโกรธขันใจจับคอฉุดแคร่ออกไปนะครับขนาดนั้นเลยนะเพราะพระสัมมาสัมพุทเ้เป็นผ้าเด็กตัวเล็กนะครับพราสุบริกร เ, เป็นคนโตแล้วนะ ได้โอกาสก็เลยฉุดคอหน้ากไปเลยนะคะรับรพระสารสังคีทรูปฉุดข่าออกไปก็ร้องไห้นะครับร้องห่มร้องไห้น่าเด็กนะครับถือคำอย่างนี้นะร้องไม่ได้นะครับที่ต้องหลายท้าคถามอย่างนี้ว่าอมวุโทั้งหลายพวกท่านร้องหไห้ทําไมถพระสารสังคีก็ตอบว่าอมวุโสั้งหลายพระสังฆีพวกนี้โกรธขันใจฉุดข้าพวกกัปปะเจ้าออกไปจากวิหารของสงศ์ นานพิสุผู้มากน้อสนโดษตางก็เพ่งเข้าดิเตรีพนธนานะครับว่าฉชไนยพระเจ้าัคคีจึงได้โกรธขันใจชุบข้าวอยู่ทั้งหลายออกจากวิหารของสองเล่าแล้วกราบคุณเนื้อความนั้นแต่พิมพาา์พระเจ้าทราด้วยองค์ทรงสอบเท้าทรงสีเตรีพระเจ้พคีแล้วก็มายักขาหมดนี้ขึ้นมานครับถ้าเอาหลักการมาทำอย่างเงี่ยนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับมุมขคณะอยู่ด้วยกันสบายเลยไม่ต้องกลัวเลย เนี่ยทางกายกรรมวิธีกับมมนุษยกรรมใช่ไหมไม่ใช่เลยต้องมีอะไรที่นีปัญหามาก ออเราไปนอนหรวัก้งนอนข้างมนใช่ไหมคือแบบว่าเองข้างานีก็เป็นนที่่าชายชาจายชายหังได้ได้คือนอนอยู่แล้วกว่านามันเข้ามานอนเขนไม่รู้ค่ะอ๋อน่นกรโดดหมักเหมือนกันเฉพาะกลางคืนนี่ไปอามักกงคืนนะถ้ากลางวันก็ไม่เป็นไรนอนหน้าห้องเลยโดนดิโอ อ, อ, อ, อ, อ๋มึคืนเดียวมาลคืนเดียวมันเปนัญหาครับอีนนี้ก็แคนก่อนครับในท้าที่สุดนี้ขอความแสดงงอกอันาทมวินัยของพระสมสุสระเจ้าจนกระทั่งนั่งหลด้วยการทุกท่านแทน